แทนที่จะมาสนทนาเรื่องส ม, มถาวิปัสนาทุกคนก็จะมีความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นอารมณ์นะก็คือทุกคนก็พยายามเก็บความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ในใจพรันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่เลยว่าเลวหนึ่งสองสามห้าหเจไป90 อีกฝ่ายหนึ่งก็จําได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลวหนึ่งสอามหจ็ดป90อีกฝ่ายหนึ่งก็คนคาบข่าวก็ขับคาบไปบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งเนี้ยเลว1นึ่งสามห้าแล้วก็คาบอีกฝั่งหนึ่งไปบอกบอีกฝั่งหนึ่งก็เลยในที่สุดเนี่ยเรื่องมันจริงๆริะมันนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรียกว่ามันลุกลามเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปดึงหลายสิบเรื่องมาปนกันนะดึงไปดึงมาก็เลยชวนกันมาโอ้โไปเจอกันอีกครั้งหนึ่ ไหนเอ่ยเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่พรหมโลกแน่นอนนะถ้าแต่ถ้าเป็นเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่พรหมโลกว่างั้นนะนะเพราะอะไรเพราะทุกฝ่ายมีเมตตาอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเมตาก็ไปเจอกันในสถานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเมตาก็ไปเจอกันในที่ที่โลกซึ่งไร้เมตตาสิ้นดีเนี่ยแต่ก็เป็นนะบางคนเนี่ยเวลาเวลาอกุศลกรรมเหล่านี้มันให้ผลเนี่ย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 มีคุณค่าขนาดไหนพันถ้าหากว่าเราพูดคําพูดที่ประกอบด้วยว่าจีทุจริตเป็นคําพูดที่เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีโทษเราเองก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเอง <im isce> เพราะอะไรเพราะเป็นคนที่โยนความทุกข์ให้แก่ตัวเองในอนาคตตัดตัดความสุขแห่งตัวเองใน อนาคตต่อไปเพราะโลกสังสารวัตรเนี่ยนะมันเป็นการโลดเล่นไปเนี่ยนะมันไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพราะสิ่งใดที่เราสะท้อนออกไปตรงนี้คือต้อนน้ำของอนาคตเนี่ยนะต้นน้ำของอนาคตสิ่งที่ทำคำที่พูดวันนี้เนี่ยคือผลผลิตอะไรนะคือเหตุที่จะได้รับผลผลิตในครั้งต่อต่อไปเพราะถ้าเราพูดคำพูดที่ไม่ดีนะพูดคาพูดที่เป็นทุจริตกรรมทั้งหลาย ใครหนอเป็นผู้ได้รับเนี่ยนะใครหนอเป็นผู้ที่เดือดร้อนทำไมเราต้องสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะนผู้ใดสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเช่นใดสิ่งเหล่านั้นจะไปไหนจริงๆแล้วโลกของแต่ละคนเนี่ยเหมือนอยู่ในกระเป๋องกระฟองไข่กระเปะ๋อไข่เนี่ยนะแล้วก็เป็นสะท้อนอะไรออกไปข้างนอกสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาหาตัวหมดเลยเหมือนทีเรียกว่าสัดถ้าสั์ดอกไม้ทวนลมเนี่ยนะ กำโปรยดอกเมล็ดทวนลมเนี่ยดอกเมล็ก็ตกมาใส่ตัวถามว่าถ้าจับฝุ่นละอองทวนลมละ่ะฝุ่นละอองก็มาเข้าตัวถ้าหากว่าโปรยสิ่งใดออกไปสิ่งนั้นก็จะย้อนเข้ามาหาตัวถ้าโปรยบาปออกไปผลแห่งบาปก็สะท้อนมาหาตัวถ้าโปรยบุญออกไปผลแห่งบุญก็สะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเพราะันถ้าเราอยากได้รับสิ่งใดเราก็ไม่ไตส่สวนเหตุว่าเหตุเราทําแก่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 ดูว่าเขาได้รับวิบากเช่นไรวิบากที่แตกต่างกันก็แปลว่าทําเหตุมาแตกต่างกันผลแห่งอการกระทําใหม่ๆที่แตกต่างกันก็บอกว่าอนาคตต่อไปก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเรื่องเมตตานี่สําคัญมากาะะนั้นถ้าเราจะชวนใครก็ชวนชวนในสิ่งที่มีประโยชน์แก่เขาจริงทั้งโลกนี้โลกหน้าและ ประโยชน์อย่างยิ่งนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะอย่างชักชวนกันไปทำบุญอันนัชักชวนกันขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพนะอยู่ในสัมมาอาชีพชักชวนการประกอบในการเจริญมงคลชักชวนกันในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะชักชวนในการฟังธรรมเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตามนโนกรรมพิกสุก็ลุกขึ้นแต่เช้าปฏิบัติสรีระทำวัดที่ลานพระเจดีเป็นต้น นั่งเหนืออาสนะที่สงัดคิดว่าขอพิสูจนทั้งหลายในวัดนี้จองเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้นนี่เรียกว่าเมตตานโนกข์คิดให้คนอื่นมีความสุขะนะขอให้ทั้งวัดเนี่ยนะอยู่กันอย่างมีความสุขนะทุกทั้งวัดเนี่ยอย่าได้มีเวรกันอย่าได้ผูกอาฆาตพยาบาทอย่าจองรางจองรางจองผลานกันเลยอย่านาความทุกข์ให้แก่กันและกันเลย ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสวงหาความสุขให้แก่กันและกันเธอในว่าวังแต่ความสุขหวังแต่ความเจริญแก่ทั้งวัดเหอนันอันนี้เรียกว่าเป็นเมตตามโนโกรรมนั่งคิดให้ทุกคนมีความสุขนั่งคิดให้ทุกคนเนี่ยได้รับแต่ความเจริญนะสมมติถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตามโนโกรรมต่อผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะ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 มันก็ไปแหมหน้าหนาวแหมโรครังแคแล้วคู่กันหน้าหนาวเนี่ยเข้ากับหน้าหนาวต <st ess hood> ากแดด ก, ก็แล้วอยู่ร่มไม้ก็แล้วอยู่ตรงไหนก็คันไปหมดเลยน <st ess hood> มีแต่ความเดือดร้อน น, นะมันก็คนที่ขาดเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นนะถ้าอยู่ด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นเดือดร้อนไปทุกที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลําบากมีแต่ความคับแคบมีแต่ความคับแค้นเนี่ยนะ มันก็ฝึกเจริญเมตตาถ้าฆราวาทั้งหลายก็คิดนะ น, นะเช่นเจริญเมตตาให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็บอกขอพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เธอเนี่ยนะก็คืออะไรถ้าเจริญเมตตาแบบที่เราเจริญเจริญกันอยู่ก็เจริญว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอเรานึกถึงใครก็ขอให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอเนี่ยนะ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 มันโลกนี้ถ้าหากว่าทุกคนประกอบไปด้วยเมตตาทุกคนก็จะมีความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็ปราศจากทุกข์เพราะอะไรเพ ร, ะนน เ, เพราะอานิสงส์ของเมตตาพระองค์ตรัสอยู่แล้วว่าอะไรหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายเทวดาช่วยปกปกัปกรักษาไฟสาตรายาพิษเป็นต้นไม่กล่อมกลายเนี่ยนะ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 หมายว่าวิหารหมายถึงที่อยู่เช่นเสนาสนะทั้งหลายที่เราอยู่บ้านช่องห้องหองทั้งหลายที่เราอยู่การนี้เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่อยู่โดยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะที่อยู่ทั้งหลายภายนอกช่วยปกปัก ร, รักษาอะไรหลังคาทั้งหลายก็ปกปักรความหนาวและความร้อนขออภัยความร้อนเป็นต้นเนี่ยนะที่ปกปักเมฆฝนท้าฝาทั้งหลายช่วยป้องกันอะไรพื้นทั้งหลายช่วยรักษาอะไรข้าวของเครื่องใช้ช่วยให้